อยอนพอรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ 19. สิบเก้าสิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าเป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆยังได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาทําการชําระสิ่งที่ไม่ปรารถนาะทั้งหลายให้หมดไปเช่นมาชําระมาล้างบาปมาล้างสิ่งที่เป็นอัปมงคลล้างความหายนะล้างความเสื่อมเสียล้างความทุกข์ล้างความเศร้าโศกเสียใจตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรง ล้างมาแล้วก็นำเอามาสั่งสอนให้แก่พวกเราคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติมาแล้วได้เห็นผลแล้วว่าเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะชําระสิ่งทั้งหลายที่เราไม่ปรารถนาให้หมดไปได้ ชำระบาปได้ชำระสิ่งที่เป็นอับปางคนได้ชำระความเสื่อมเสียต่างๆได้ชำระความเศร้าโศกเสียใจได้ชำระพพชาติได้มีทางของพระพุทธเจ้าทางเดียวเท่านั้นที่จะสามารถทําได้ถ้าเราปฏิบัติ ต, ตามแล้วเราก็จะอยู่ห่างไกล จากความเสื่อมเสียอยู่ห่างไกลจากความทุกข์ความวุ่นวายความอับประมงคลทั้งหลายสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนก็มีอยู่สามข้อด้วยกันเป็นวิธีชาระบาปเป็นวิธีสร้างความสร้างบุญเป็นวิธีสร้างความสุขและความเจริญคือหนึ่งให้ทําบุญ 2. ให้ละบาป 3. ให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าทำได้ทั้งสามข้อนี้แล้วไม่ช้าก็เร็วเราก็จะได้เป็นเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้เป็นก็คือได้พ้นจากบาปกรรมทั้งหลายพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพ้นจากความพัดพราดพ้นจากความแก่ ความเจ็บความตายทางนี้เป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะชำระสิ่งต่างๆที่เราไม่ปรารถนาได้ทางอื่นนั้นไม่ใช่เป็นทางเช่นทางที่เราบางทีก็ไปแสวงหากันเช่นไปหาหมอดูแล้วหมอดูก็บอกว่าให้เปลี่ยนชื่ อ, อ ให้ย้ายทิศทางของบ้านให้ย้ายอะไรต่างๆในบ้านหรือให้เราเปลี่ยนทรงผมการกระทำเหล่านี้ไม่เป็นผลที่จะกำจัดสิ่งที่เราไม่ปรารถนาได้เราต้องทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้กระทำเท่านั้นแล้วรับรองได้ว่าเราจะ ไม่มีความเสื่อมเสียไม่มีบาป ก, กรรมที่จะมาจองเวรจองกรรมเราอีกต่อไปในอนาคตนี่คือทางที่พระเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้ทรงดำเนินมาแล้วแล้วก็นำมามาสั่งสอนให้แก่พวกเราปฏิบัติตาม ผู้ที่ปฏิบัติตามได้ก็กลายเป็นภาษาวกขึ้นมากลายเป็นผู้ที่ได้รับผลเช่นเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงได้รับผลก็คือไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดติดต่อไปถ้าเมื่อไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็จะไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บไม่มีความตายไม่มีการทัดากจากกัน ไม่มีเวรไม่มีกรรมที่จะมาตามจองเวรจองกรรมกับเราอีกต่อไปดังนั้นขอให้พวกเราจงมีศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้องนําเอามาปฏิบัติตามด้วยความศรัทธาความเชื่อด้วยวิรยิยะความอุตสาหะภาคเพียรถ้าเราทําแล้ว ผลก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับเช่นการทำบุญพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้ทำบุญหลากหลายวิธีด้วยกันเพราะเป็นเหมือนกับอาหารของใจถ้าเราทำบุญแล้วใจของเราก็จะมีความอิ่มมีความสุขมีความพออาหารหรือบุญนี้ก็มีหลายชนิดด้วยกัน เหมือนกับอาหารที่เรารับประทานก็มีหลายชนิดอาหารของร่างกายก็มีหลากหลายฉันใดอาหารของใจก็มีหลากหลายบุญมีอยู่สิบประการด้วยกันเรียกว่าบุญจำไม่ได้แล้วชื่อมีอยู่หนึ่งคือทานบุญที่เกิดจากการให้เรียกว่าทานสอง บุญที่เกิดจากการไม่ทำบาปเรียกว่าศีลสบุญที่เกิดจากการภาวนาคือทำใจให้สะอาดเรียกว่าภาวนาบุญที่เกิดจากการอุทิศคือเวลาทำบุญแล้วเรามีบุญเราก็อุทิศบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว บุญที่เกิดจากการอนุโมทนาร่วมบุญกับผู้อื่นเวลาที่ผู้อื่นเขาทำบุญเราทราบเราก็ร่วมทำบุญไปด้วยเรียกว่าอนุโมทนาบุญ 6. บุญที่เกิดจากการเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนเจ็ดบุญที่เกิดจากการรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่น8 บุญที่เกิดจากการมีความเห็นที่ถูกต้อง 9. บุญที่เกิดจากการฟังเทศน์ฟังธรรมและ10บุญที่เกิดจากการสแสดงธรรมเผยแผ่ธรรมะให้แก่ผู้อื่นนี่คือบุญสิบประการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราทำเพื่อที่จิตใจของเรา จะได้มีความสุขมีความเจริญมีความอิ่มมีความพอเราจะทําบุญชนิดไหนก็แล้วแต่เวลาแล้วแต่โอกาสเช่นทานเราก็ทําตามเวลาอย่างวันนี้เราก็มาทําทานนอกจากทําทานแล้วเราก็ได้มาฟังเทศฟังธรรมอันนี้ก็เป็นบุญ เมื่อเราทำบุญแล้วเราก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ร่วงลับไปแล้วถ้าเราอยู่บ้านอยู่วัดหรือกลับไปบ้านถ้าเราไปนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระทําใจให้สงบเราก็จะได้ภาวนาถ้าเรารักษาศีลห้าศีลแปศีลสศีลสี 5, สิ 8, ส 10, สได้เราก็จะได้ บุญจากการไม่ทำบาปบุญนี่แลเป็นเครื่องที่จะดูแลรักษาใจของเราให้ห่างไกลจากความเสื่อมเสียทั้งหลายห่างไกลจากความอัปมงคลทั้งหลายอยู่ที่การกระทำของเราบุญนี่ทำแล้วไม่เกิดโทษมีแต่ประโยชน์โดยถ่ายเดียว ส่วนบาปนี้ทำแล้วไม่เกิดประโยชน์มีแต่โทษโดยถ่ายเดียวดังนั้นเราจึงต้องไม่ทำบาปอย่าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปทดเสพสุรายาเมาและอบายามุขอื่นๆเช่นเล่นการพนันเ <c oughs> ที่ยวกลางคืนกบคนชั่วเป็นมิตรมีความเกลียดคร้าน การกระทำเหล่านี้เป็นการเป็นการสร้างความทุกข์สร้างความเสื่อมเสียให้กับเราเป็นสิ่งที่เราควรพยายามหลีกเลี่ยงอย่าไปกระทำเพราะเมื่อทำแล้วไม่มีใครที่จะมายัำยังผลที่จะเกิดตามมาได้ผลที่เกิดทั้งในปัจจุบันในชาตินี้และผลที่จะตามมาต่อไป หลังจากที่เราตายไปแล้วผลที่เกิดในชาตินี้ก็คือเราก็จะตกต่ำเราก็จะถูกเจ้าหน้าที่ทางบ้านเมืองจับไปลงโทษจับไปขังไว้ในคุกในตารางตายไปแล้วเราก็ต้องไปอยู่ในเรือนจำของโลกทิพย์เรือนจำของเรือนจาของโลกทิพย์ก็คือนรกนี่เอง หรือไม่เช่นนั้นก็ไปเป็นเปรตไปเป็นเดรัจฉานเพราะนี่คือผลที่จะเกิดจากการทำบาปถ้าเราไม่ทำบาปเราก็ไม่ต้องไปติดคุกในในโลกทิพย์ไม่ต้องไปตกนรกไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานตายไปเราก็จะได้ไปเกิดเป็นเทเพเป็นพรหมเป็นพระอริยเจ้า ตามกำลังของบุญที่เราได้ทํากันจนในที่สุดเราก็จะได้ไปถึงพระนิพพานเมื่อไปถึงพระนิพพานแล้วเราก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปบาปกรรมที่เคยทําไว้ที่ยังไม่ได้ส่งผลก็จะไม่มีความสามารถที่จะมาลากตัวเราให้กลับไป รับผลของบาปได้ต่อไปอพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระอาาริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปท่านได้พ้นจากการที่จะต้องไปเกิดในอบายแล้วเพราะบุญที่ท่านได้ทำไว้นั้นมีกำลังมากกว่าบาปที่จะฉุดกให้ไปเกิดในอบายได้แต่ถ้าเราทำบุญยังไม่ถึงขั้นของพระอาาริยเจ้า ทำบุญแค่ขั้นของปุถุชนเช่นขั้นสมาธิเราก็ยังต้องไปใช้บาปถ้าบาปที่เราทำไว้นั้นยังไม่ได้ส่งผลเช่นสมมติว่าเราทำบุญเราปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิได้เวลาตายไปเราก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมแต่เป็นสวรรค์ที่จะต้องเสื่อม ต้องหมดไปเมื่อเราหมดไปแล้วเราก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เมื่อเราตายไปถ้าเรายังไม่ได้สร้างบุญให้ไปถึงขั้นพระอริย ะ, จะเจ้าได้ถ้าเป็นเวลาของบาปที่จะส่งผลเราก็จะต้องไปใช้บาปในอบายต่อไปถ้าเราไม่อยากที่จะไปเกิดในอบายเลย เราก็ต้องปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้บรรลุขั้นพระโสดาบันขึ้นไปพระโสดาบันนี้จะต้องชำระหรือตัดสังโยชน์ที่เป็นเหมือนโซ่ที่าลากสัตว์โลกไม่ให้ให้ลากสัตว์โลกให้ไปเกิดในอบายได้ แต่ถ้าตัดโซ่ตัวนี้สามโซ่นี้ได้ก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายสังโยชน์ทั้งสามข้อนี้มีหนึ่งสกายะทิฐิความเห็นว่าสิ่งต่างๆนั้นมีตัวมีตนเช่นเห็นว่าร่างกายนี้มีตัวมีตนเป็นตัวเราเป็นของเราอันนี้สำหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรม คือจเจริญสมาธิและปัญญาจะมีดวงตาเห็นธรรมจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นทำมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นวัตถุไม่มีตัวตนอยู่ในธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเช่นร่างกายนี้ก็ทำมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่ผ่านมาทางอาหารเช่นข้าวผัก ข้าวกับผักนี้ก็ต้องมีดินมีน้ํามีลมมีไฟถึงจะเจริญเติบโตขึ้นมาได้แล้วเมื่อเรารับประทานเข้าไปในร่างกายข้าวและผักและอาหารต่างๆก็มาแปลงเป็นอาการ32มสองมาแปลงเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นอวัยวะต่างๆ สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเพียงาธาตุเท่านั้นเองมันไม่ใช่มีตัวตนอยู่ในผมในขนในเล็บในฝันเวลาเราตัดผมทิ้งไปมันก็กลายเป็นดินไปตัดเล็บทิ้งไปมันก็กลายเป็นดินไปร่างกายตายไปเผาไปก็กลายเป็นขี้เถ้าไปเป็นธาตุดินส่วนธาตุน้งก็ถูกไฟเผาจนเหยอไป ชาตลมก็ลอยออกจากร่างกายไปไม่มีอะไรเหลืออยู่นี่คือเรื่องของสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีตัวไม่มีตนผู้ที่มีตัวตนก็คือใจใจนี้เป็นร่างทิพย์กายทิพย์ที่มายึดติดครอบครองสิ่งต่างๆในโลกนี้ว่าเป็นตัวเราของเรา มายึดติดกับร่างกายมาครอบครองร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราแล้วก็พอได้สมบัติข้าวของเงินทองได้อะไรต่างๆก็ยึดติดว่าเป็นของเราพอยึดติดแล้วก็จะต้องดูแลรักษาต้องคอยป้องกันบางครั้งก็อาจจะต้องทำบาปเพราะมีความรักความหวงใน ร่างกายของตนเองมีความหหวงในร่างกายของคนที่เรารักเช่นสามีภรรยาบุตรทิดาบิดามารดาเมื่อเรามีความรักความหหวงเวลาที่เราจะสูญเสียสิ่งที่เรารักไปถ้าเราไม่สามารถรักษาได้ด้วยการไม่ทำบาปเราก็จะทำบาปเพราะเรายัางต้องการให้สิ่งที่เรารักนั้น อยู่กับเราต่อไปเมื่อเราทําบาปแล้วผลก็จะต้องมีตามมาคืออบายก็จะต้องตามมาต่อไปแต่ถ้าเราสามารถพิจารณาเจริญสติสมาธิปัญญาจนเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเห็นว่าร่างกายของทุกๆคนก็ไม่เป็นมีใครเป็นเจ้าของเป็นของดินน้าลมไฟ สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆในโลกนี้ก็เป็นเพียงดินน้ำลมไฟไม่มีใครเอาไปได้ใจทุกดวงวที่มาเกิดในโลกนี้มาก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวมาเวลาไปก็ไม่เอาอะไรติดตัวไปถ้าเห็นอย่างนี้ใจก็จะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ได้ไม่หวงไม่ไม่รักษา ไม่ทำบาปเพื่อที่จะรักษาสิ่งต่างๆถ้าถึงเวลาที่จะต้องให้ร่างกายนี้ตายไปก็จะปล่อยให้ตายไปเช่นอดข้าวก็จะไม่ไปยิงนกตกปลาเพื่อเอามาทำเป็นอาหารยอมอดตายเพราะรู้ว่าอย่างไรร่างกายนี้ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายแต่ถ้าไปทำบาปแล้วจะต้องไปใช้กรรม ในอบายต่อไปนี่คือผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมจะเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นตัวเราของเราจะเห็นว่าไม่มีอะไรที่จะเจริญไปตลอดทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีการเจริญก็ต้องมีความเสื่อมตามมาพอเห็นความจริงอันนี้ก็จะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เมื่อถึงเวลา ของทุกสิ่งทุกอย่างที่จะต้องจากไปก็จะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนนี่เรียกว่าเป็นพระโสดาบันเห็นว่าทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราของเราละสักกายทิฏฐิได้เมื่อละสักกายทิฏฐิได้ก็จะเห็นว่าคําสอนที่พระเจ้าทรงสอนนั้นเป็นความจริงก็จะเห็นว่า พ, พ่อพทธเจ้ามีจริง พระธรรมคำสอนนี้เป็นของจริงพระ อ, อริยสงสาวกที่ได้บรรลุเป็นพระ อ, อริยะเจ้านั้นมีจริงเพราะได้ปฏิบัติตามคำสอนของพรุทธเจา้าจนได้เห็นพระธรรมคำสอนทำให้จิตใจของผู้นั้นหลุดพ้นจากการไปเกิดในอบายได้เพราะจะไม่ทำบาปต่อไปก็จะตัดข้อที่สามได้ ข้อที่สองก็คือความลังเลสงสัยว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีจริงหรือไม่สําหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมจนมีดวงตาเห็นธรรมแล้วจะไม่สงสัยจะรู้ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านี้เป็นธรรมที่เป็นความจริงสอนที่ตรงกับความจริงเหมือนกับสมัยก่อนที่เราเชื่อกันว่าโลกนี้แบน แต่มีนักปทยาศาสตร์ที่เขามาพิสูจร์บอกเราว่าโลกนี้ไม่แบนโลกนี้กลมฉันใดพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันพวกเราคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราแต่พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเกิดแก่เจ็บตายถ้าเราปฏิบัติตามที่พุเจ้าทรงสั่งสอนคือให้นั่งสมาธิ แล้วก็ให้เจริญปัญญาเราก็จะเห็นความจริงอันนี้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงได้เห็นเมื่อเราเห็นแล้วเราก็จะไม่สงสัยว่าพระพุทธเจ้าผู้สอนนี้มีจริงหรือไม่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นประโยชน์จริงหรือไม่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนจะได้บรรลุเป็นพระอริยสงสารลได้หรือไม่อันนี้จะไม่สงสัย จะเชื่ออย่างเป็นอย่างตายใจได้เลยว่าเป็นความจริงเมื่อเชื่อหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะตัดสังโยชน์ข้อที่สได้คือศีลรัปตะปรามาสก็คือการไม่เห็นว่าศีลดีหรือการกระทําดีการกระทําดีไม่ทําบาสนี้เป็นเหตุที่จะป้องกันไม่ให้เรา ต้องไปเกิดในอบายป้องกันไม่ให้เราต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในภพที่ไม่ดีได้ศีลนะพัจจปราม่า ก, ก็คือการเห็นว่าการไม่ทำบาป ก, การรักษาศีล น, นี่เป็นเป็นทางเดียวที่จะทำให้เราพ้นจากอบายได้นะผู้ที่เห็น เห็นความจริงแล้ว <o> ก <of> ็จะละศีลพัฒนาปรมาได้คือจะรักษาศีลยิ่งกว่าชีวิตถึงแม้จะต้องเสียชีวิตไปก็ยอมเสียชีวิตดีกว่าการทำบาปนี่คือคุณสมบัติของพระโสดาบันท่านจะไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ว่าเป็นตัวเราของเราท่านยอมที่จะ ให้สิ่งต่างๆนั้นจากท่านไปเมื่อถึงเวลาที่จะต้องจากกันจะไม่เศร้าโศกเสียใจจะไม่ร้องห่มร้องไห้จะไม่ไปทำบาปทำกรรมเพื่อที่จะรักษาทรัพย์สมบัติหรือสิ่งของต่างๆหรือชีวิตของตนจะรักษาศีลยิ่งกว่าชีวิตแล้วเมื่อสามารถทำอย่างนี้ได้แล้ว ก็จะตายไปก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติจนบรรลุเป็นพระอรหันต์อย่างน้อยตายไปก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายและภพชาติก็จะมีไม่มากไปกว่าเจ็ดชาติถ้ายังไม่สามารถปฏิบัติให้หมดไปได้ในชาตินี้ก็จะมีไม่เกินเจ็ดชาติก็จะสามารถปฏิบัติจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้และเวลากลับมาเกิดก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีพระพุทธศาสนามาสอนอีกแล้วเพราะท่านมีพระพุทธศาสนาฝังอยู่ในใจแล้วมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจแล้วรู้จักทางที่จะพาให้ไปสู่พระนิพพานแล้วพระโสดาบันนี้เป็นผู้ที่ได้เข้าสู่กระแสของพระนิพพาน เหมือนกับเราได้เข้าสู่ทางด่วนที่จะพาให้เราไปถึงกรุงเทพถ้าเราขึ้นทางด่วนได้แล้วเราก็ขับรถไปตามทางด่วนไปเดี๋ยวก็ถึงกรุงเทพเองไม่มีทางแยกไม่มีวันที่จะหลงทางได้ถ้าเรายังไม่ได้ขึ้นทางด่วนเราขับอยู่ถนนชั้นล่างเราก็อาจจะหลงทางได้เพราะมีสีแยกหลายสีแยกด้วยกันอาจจะไปผิดทางได้ แต่ถ้าได้ขึ้นทางด่วนแล้วก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างแน่นอนพวกเราถ้ายังไม่ได้บรรลุปเป็นพระโสดาบันเรายังจะไม่รู้จักทางที่จะพาให้เราไปสู่พระนิพพานไปสู่การหลุดพ้นไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดถ้ากลับมาเกิดชาติหน้าแล้วไม่มีพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่มีผู้สอนผู้บอกทางเรา เราก็จะไม่มีโอกาสที่จะไปถึงพระนิพพานได้เหมือนกับชาตินี้ชาตินี้จึงเป็นชาติที่วิเศษอย่างยิ่งเพราะมีผู้นําทางมีแผนที่มีป้ายคอยบอกทางให้กับพวกเราพระพุทธศาสนานี้เป็นเหมือนผู้นําทางเป็นเหมือนป้ายบอกทางเป็นเหมือนแผนที่ที่จะพาให้เรา ไปสู่พระนิพพานไปสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าเรายังไม่สามารถบรรลุถึงพระนิพพานได้ในชาตินี้อย่างน้อยก็ขอให้เราได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเพื่อเราจะได้พ้นจากการไปเกิดในอบายและจะมีพบชาติเหลือไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากเราก็จะได้ไปถึงพระนิพพานได้ การที่จะเป็นพระโสดาบันได้ก็อยู่ที่การทำบุญละบาปละชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี้เองทำบุญต่างๆที่ได้แสดงไว้สิบประการด้วยกันรักษาศีลละบาปแล้วก็เจริญสติสมาธิและปัญญาเพราะเป็นการชำระความหลงความมืดบอด ที่ทาให้เราไม่เห็นทางที่จะพาเราไปสู่พระนิพพานถ้าเรานั่งสมาธิได้จเจริญปัญญาได้เราก็จะเห็นความจริงได้จะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างทํามาจากดินน้ำลมไฟทุกสิ่งทุกอย่างไม่ช้าก็เร็วก็ต้องคืนกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟ เราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจเป็นกายที่ที่มาหลงยึดติดกับร่างกายหลงยึดติดกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆแล้วก็หวงแล้วก็ทำบาปเพื่อที่จะรักษาทรัพย์สมบัติเข้าของต่างๆเหล่านี้ไว้พอทำบาปก็ทำให้เราต้องกลับไปเวียนว่ายตายต้องไปเกิดในอบายต้องไปตกนรก นี่คืองานที่พวกเราควรจะกระทำกันให้มากเพราะเป็นเป็นเป็นสมบัติที่แท้จริงของเราเป็นทรัพย์ภายในเป็นทรัพย์ที่เราสามารถเอาติดตัวไปได้เช่นถ้าเราได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วเราก็จะไม่มีวันที่จะเสื่อมกลับมาเป็นปุถุชนไม่เหมือนกับพวกที่นั่งสมาธิอย่างเดียวแล้วได ได้อนิสงส์ได้ไปเกิดเป็นพรหมแต่เป็นพรหมได้เพียงชั่วคราวเพราะว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ถาวรเมื่อเสื่อมจากพรหมก็จะลงมาเป็นเทพเสื่อมจากเทพก็จะลงมาเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็ต้องมาสร้างบุญใหม่ทำอะไรต่อไปใหม่แต่ถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วก็จะไม่เสื่อมจากการเป็นพระโสดาบัน กลับมาเกิดใหม่ก็จะปฏิบัติธรรมขั้นสูงต่อไปคือขั้นที่สองขั้นที่สามและขั้นที่สี่ได้เลยดังนั้นขอให้เรามีความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราต้องการที่จะปัดเป่าหรือล้างชำระล้างสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาทั้งหลายเช่นเวรกรรม เช่นสิ่งที่เป็นอมองคลอัปมงคลทั้งหลายความทุกข์ความวุ่นวายใจทั้งหลายความเศร้าโศกเสียใจพพชาติต่างๆความแก่ความเจ็บความตายเราต้องทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้ง3ข้อนี้คือทำบุญละบาปแล้วก็ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าเราทำได้แล้วเราก็จะพ้นจาก สิ่งที่ไม่ปราถนาทั้งหลายนี้เช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้หลุดพ้นมาแล้วยึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาชำระสิ่งที่ไม่ถึงปาถนาทั้งหลายนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญที่ถาวรที่จะตามมาต่อไป